ทรงอนุญาตให้โดยสารเรื อ, อลำเดียวกันข้ามฟากลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุและรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในการข้ามฟากเราอนุญาตให้ชักชวนภิกษุณีโดยสารเรื อ, อลำเดียวกันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้